ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วพูดถึงปัจจัยแห่งบารมีบารมีที่เราเรียกว่าพุทธกรกธรรมธรรมที่ทำให้บุคคลบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามีทั้ง10ประการคือธรรมศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขา บารมีทั้ง10เนี่ยนะที่เป็นเครื่องอุปธรรมเครื่องคําจุนเกื้อกูลให้เกิดการตรัสรู้นี่ถามว่าแล้วปัจจัยของบารมีทั้ง10มีอะไรบ้างมันก็บอกว่าอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาะที่ประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นตอนนี้มาขึ้นปัจจัยที่สําคัญของบารมีคือจารณะ15และอภินญาห้า ในหน้า614กล่าวว่าพึงทราบจรณธรรมนั่นนะทำเป็นเครื่องประพฤติ15ประการและอภิน ญ, ญาห้าความรู้ยิ่ง5ประการนี่นะเป็นธรรมที่เป็นบริวารหรือเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้เกิดการบำเพ็ญบารมีจรณะสิประการมีอะไรบ้างบอกว่าศีลสังวรน่นนะเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยความสํารวมในพระปราติโมก ถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจรเห็นไปในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาธานศึกษาในเสกขาบททั้งหลายความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจความสำรวมเหล่านี้เป็นสีลสังวรสีลสังวรก็เป็นตัวที่เกื้อกูลต่อ ก, การให้ทานเป็นต้นต่อไปอินทรีสังวรเนี่ยนะความคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาในทวาร6 เหมือนกับว่ารักษาแผลทั้ง6แผลไม่ให้ติดเชื้อฉะนั้นนะนะก็คือรักษาตาไม่ให้ดูรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานัตให้เกิดบาปและอกุศลรักษาหูไม่ให้ฟังเสียงที่ก่อให้เกิดบาปและอกุศลหรือว่าฟังอย่างไรใจจึงจะไม่เป็นบาปและเป็นอกุศลอันอินทรีสังวรในทวารทั้ง6ไม่ว่าจะปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้บาปไม่ให้อากุศลไหลเข้ามาเรียกว่าอินทรีสังวรส่วนความรู้จักประมาณในการในโภชนะเนี่ยนะโภชนมะตัญยุตาเรียกว่ารู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับและรู้จักประมาณในการบริโภค ว, ว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสมจึงจะสมควรเรียกว่าโภชนมะตัญยุตาส่วนอย่างที่สี่รัชกาค리ยานุโยก ชาคริยานุโยกก็คือการประกอบเนืองในความเป็นผู้ตื่นหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือมีความตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมสูงมากเนี่ยนยะมีความตื่นตัวไม่ใช่หลับไหลไม่ใช่ทำแบบคนที่เรียกว่าหมดอะไรตาอยากไม่ใช่ทำแบบคนที่ไม่มีทางไปทำไปวันๆหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นแต่ทำด้วยภาวะที่ตื่นตัวเรียกว่าชาคริยานุโยก ไอ้ความตื่นตัวนี่แหละที่ทำให้เกิดการปฏิบัติเจริญอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเป็นผู้ตื่นตัวในการเจริญกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาส่วนสัตธรรมอีก7ประการเนี่ยนะในจารณะ15ก็มีสัทธรรม7คือศรัทธาหิริโอตตปะพาหุสั จ, จวิริยะสติและปัญญา จนถึงปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานรวมทั้งหมด15ประการเรียกว่าจรณธรรมเครื่องประพฤติเครื่องดำเนินที่ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติสามารถตรัสรู้พระนิพพานได้เพราะถือว่าเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ยั่งลงสู่พระนิพพานธรรมะต่อไปถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นตัวแวดล้อมว่าผู้นั้นมีจรณะ15 อย่างเช่นสิ่งที่แวดล้อมศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยคมีอะไรบ้างท่านบอกว่าทุดงสันเลขธรรมทําเป็นเครื่องขัดเกลวเนี่ยนะทุดงนั้นชื่อว่าเป็นสันเลขธรรมทำเป็นเครื่องขัดเกวนะดวเ ล, เลเเเกว์ขัดเกลวในจีวรขัดเกลวในอาหารขัดเกลวในเสนาสนะแล้วก็อิริยาบถในการเจริญความเพียรอันทุดง13ก็คือก็คือความสันโดษ มักน้อยสันโดษในปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะมักน้อยสันโดษเพราะทุดงบางอย่างเกี่ยวกับจีวรทุดงบางอย่างเกี่ยวกับอาหารทุดองบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วก็อิริยาบถ ท, ที่เกื้อกูลต่อการเจริญความเพียรอยงนั้นทุดงเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสันเลกธรรมเป็นธรรมที่ขัดเกลาในผู้ที่มีความขัดเกลาอย่างนั้นจะมีความเป็นผู้มักน้อย เป็นผู้ที่สันโดษเป็นคนที่ไม่คลุกคลีอย่างที่ว่าใช้ผ้าชนิดที่จํากัดถามว่าจะทำให้มักๆในเรื่องผ้าไหมก็ไม่ถ้าหากว่าอาหารก็ฉันอย่างจากัดถามว่าต้องการอาหารมากองสะสมเอาไว้ไหมถ้าหากว่าที่อยู่อาศัยก็โคนไม้ก็อยู่ได้จะโมเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นต้นไหมท่านก็เลยมักน้อยสันโดษพันผู้ที่ มักน้อยสันโดษอย่างเงี้ยหาพวกยากโดยธรรมชาติก็เลยเรียกว่าไม่คลุกคลีนะฮะถ้าอยู่ลักษณะที่เรียกมักน้อยเป็นต้นเนี่ยนะที่คนผ่านทั้งหลายไม่ชอบที่คนผ่านทั้งหลายไม่ชื่นชมอนุโมทนาและยินดีคุณธรรมเหล่านี้เป็นบริวารของศีลเป็นบริวารของศีลนะทั้งทุดงมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมทําให้เป็นอลังการของศีลเป็นเครื่องประดับของศีล อินทรีสังวรโภชเนมัตันยุตาและชาคริยานุโยคนั้นผู้ที่มีศีลมีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมัตันยุตามีชาคริยานุโยกนั้นสามารถที่จะอยู่ในรักษาทุดงก็ได้เป็นผู้มักน้อยในปัจจัยสี่เป็นต้นก็ได้สันโดษในปัจจัยสี่เป็นต้นก็อย่างสบายอันนี้ก็เป็นคุณธรรมประดับศีลเนีย่ยนะว่า องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมของผู้มีศีลเป็นอย่างไรทีนี้ต่อไปผู้มีศีลนั้นถ้าดํารงอยู่ในสัตยธรรมเจ็ประการย่อมเจริญงดงามและรุ่งเรืองสัตธรรมเจประการคืออะไรบ้างก็คือศรัทธาหิริโอตะปะัปปาพาหุสัจจะวิริยะสติและก็ปัญญ า, ารู้ได้ยังไงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วอะไรเป็นบริวารของศรัทธาท่านบอกว่าจิตที่น้อมไปใน พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือผู้ที่น้อมไปในพระพุทธเจ้าด้วยการเจริญพุทธานุสติจิตที่น้อมไปในพระธรรมด้วยการเจริญธรรมานุสติจิตที่น้อมไปในพระสงฆ์ด้วยการเจริญสังขานุสติจิตที่น้อมไปในศีนด้วยการเจริญสีลานุสติจิตที่น้อมไประลึกถึงการให้การบริจาคการเสียสละนั่นก็เป็นจากานุสติการระลึกถึงคุณของเทวดา แล้วน้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเปรียบกับคุณของตนเรียกว่าเทวตานุสติอันอนุสติหคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติท่านบอกว่าเป็นบริวารของผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธานั้นดํารงอยู่ด้วยใจที่โคจร ท่องเที่ยวไปในพระพุทธคุณทั้งหลายมีใจโครจรท่องเที่ยวไปในพระธรรมคุณมีใจโครจรท่องเที่ยวไปในพระสังฆคุณระลึกถึงกุศลศีลที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าแนะนำทั้งหมดแล้วก็ระลึกถึงการศสียสละการให้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาตรฐานถึงขนาดเรียกว่าเปรียบกับเทวดาได้ว่าเทวดาเหล่าใดมีคุณธรรมเช่นใด แม้ตนก็มีคุณธรรมเช่นนั้นเหมือนกับเทวดาเนี่ยนจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากและที่สำคัญเนี่ยนะผู้ที่จะรักษาศรัทธาพอกพูนศรัทธาให้ศรัทธาเกี่ยวเนื่องการครบคนเนี่ยสคัญที่สุดเนี่ยนะถ้าเราไปคบคนเศร้าหมองคบคนที่ไม่มีศรัทธาเราก็พลอยไม่มีศรัทธาไปด้วยอย่างเราได้ยินได้ฟังคนที่ตาหนิพระพุทธเจ้า ปกติเราก็ศรัทธานอ้อยอยู่แล้วเนี่ยนะพอฟังเข้าตำหนิเข้าใจเราก็หม่นมองทุกครั้งไปทั้งๆที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าชนเราอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์เธอไม่ควรจ ะ, ะยังความโทมนัสขัดเคืองให้เกิดขึ้นในชนเหล่านั้นเป็นตน้นซึ่งพระองค์ก็สอนเอาไว้ก็จริงแต่ว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับคนแบบนั้นบ่อยๆจิตใจของเราก็ไม่ดีเมื่อเราเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ในพระพุทธคุณเป็นต้นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมคุณผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระสังฆคุณผู้ที่ไม่เลื่อมใสในศีลผู้ไม่เลื่อมใสในการให้เมื่อใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นเมื่อไรใจเราก็ป่วยทุกทีวัา ง, งั้นเนี่ยเพราะว่าคนเศร้ามองนี่มันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นโรคระบาดโรคติดเชื้อทาให้คนที่มีศีลหรือทาให้บุคคลที่มีศรัทธานั้นมีศรัทธาลดน้อยลงไปเนี่ยนะ มันจะเจริญกุศลธรรมใดๆบุคคลผู้เศร้ามองทั้งหลายก็จะคอยขัดคอยขวางขวางไม่ว่าก็พูดเป็นแบบพูดให้เกิดตะปูตรึงใจพูดให้เป็นฝีในใจอยู่เรื่อยอันคําพูดของคนที่ไม่มีศรัทธานั้นทําให้เดือดร้อนบ่อยๆทําให้ไม่เจริญงอกงามในกุศลธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลนะที่เหล็กเว้นไม่เกี่ยวข้องในบุคคลผู้เศร้ามองเนี่ยนะ ว่าคนที่เศร้ามองเนี่ยสร้างฝีในใจให้เกิดบ่อยๆกลัดน้องออกมาบ่อยๆทะลักออกมาทางกายและวาจาโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ใครที่จะเจริญศรัทธานี่ก็ต้องถ้าเลือกคนคบไม่เป็นนี่ก็น่าสงสารมากนะนะกโผลกกบเพลกเต็มทีงอน ง, อนงอนแง่แเนี่ยนะลมปากโนนเป่ามาพ่วง ก, ก็โอ้ยหายศูนย์หายหมดแล้นะยิ่งกบคาถาแบบเป่าพิษเป่าอะไรอีกนะ บางภาคนี่มีเวทมนต์เป่ายาพิษเป่าพวกพิษงูแมลงป่องก็เป่าถ้ามันเ ป, าาเป่าถูกเนี่ยนะแป๊บเดียวมันก็หายแล้วอันนี้เป่าซะเราหมดศรัทธายอะไรย่เียนั้นคนที่เศร้ามองคนที่ไม่เลื่อมใสในพรัตนะตรัยเนี่ยจึงเป็นคนที่ท่านบอกว่าให้หลีกให้เวน้นให้ห่างได้เป็นห่างนานๆเจอกันทีก็ไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะจริงอยู่ว่าเขาอาจจะช่วยประโยชน์ในโลกนี้ แต่ดีไม่ดีบางทีประโยชน์โลกนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะนะเพราะเป็นบุคคลที่ทำลายประโยชน์ในการเข้าถึงระรตะไตรา mm hmm. การคบคนนี่ถือว่าสำคัญที่สุดในศาสนานี้มิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรันทร์นั้นถ้าแปลแบบตรงกันข้ามถ้ายกเอาเ อ, าอาวัตตหาระพลิกกลับมาอีกข้างหนึ่งก็บอกว่าพรหมจันท ร, ร์ที่แตกทาลายเสียหายทั้งหมดก็เพราะป่าประมิตรเพราะป่าประมิตรจึงทาลายทาลาย กุศลธรรมพระเจ้าอาชาศัตรูเสียหายชีวิตอดที่จะเป็นพระโสดาบันก็เพราะคบป่าประมิรพระสุทินกัลันทบุตรเนี่ยก็มีอุปนิสัยมากผลแต่พบบุคคลผู้เป็นคนพานก็เลยเสียหายเพันชีวิตของเรานี่ถ้าเราเลือกคนคบไม่ได้ก็เลือกเจริญไม่ได้เนะโดยเฉพาะถ้าเราห่างคนดีเบอกว่าที่ใดที่มันล่มจมบุคคลใดที่ล่มจมเมื่อห่างคนดี ใกล้คนชั่วก็ถึงความล่มจมแต่ปัญหาว่าคนบางคนวินิจฉรณาญาณไม่ดีบอกว่าคนที่เอาใจเราคนที่ตามใจเราเรียกว่าคนดีในความคิดของเราเพราะว่าเหตุผลเพราะาเขาตามใจเราพฉะนั้นบางทีนี้เราต้องวินิจฉัยให้ดีๆว่าลักษณะของคนเศร้าหมองนี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นลักษณะสูตรนี้ต้องให้แม่นๆ เ, เลยนะาลลักษณะเป็นอย่างไรบัณฑิตลักษณะเป็นอย่างไร ต่อไปการครบหาบุคคลผู้น่าเลื่อมใสบุคคลผู้น่าเลื่อมใสการครบหาบุคคลผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยคบหาผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าคบหาบุคคลผู้มีความมั่นคงในพระธรรมในพระสงฆ์ผู้ที่รักษาศีลอย่างมั่นคงยินมีใจยินดีในการเสียสละเมื่อเราครบคนเหล่านี้จิตใจของเราก็จะอ่อนโยนศรัทธาที่ยังไม่แก่กล้าก็จะ แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปศรัทธาที่แก่กล้าอยู่แล้วก็จะเจริญงอกงามภายัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นและที่สําคัญเราต้องทรงจําพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสโดยปกติเราเลื่อมใสสูตรไหนสูตรที่เราฟังแล้วสบายใจสูตรที่ฟังแล้วมีความสุขสูตรที่ฟังแล้วกุศลเจริญเนี่ยนะพยายามระลึกถึงพระสูตรเหล่านั้นให้บ่อยให้มากเนี่ยนะทบทวนถึงพระสูตรเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าสอน มันจะต้องมีสูตรสากสูตรสองสูตรก็ได้ที่เราฟังแล้วเราเลื่อมสเนี่ยนะที่เราเลื่อมสจิตใจที่คุณมัวไม่สบายใจใจไม่ผ่องใสก็จะได้ระลึกถึงเช่นสัมปัสาธนิยสูตรรัตนสูตรอ่าเป็นต้นเนี่ยนะถ้าชักกสูตรเป็นต้นสูตรเหล่านี้ก็ควรที่จะ ก, กำหนดจดจำเพื่อที่ศรัทธาจะได้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือว่าปาาสาธิกะสูตรเนี่ยนะ ภาษาที่กระสูรก็สูตรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริวารของผู้มีศรัทธาลักษณะของผู้มีศรัทธาคือคนที่เจริญอนุสติ6เว้นคนเศร้ามองคบหาสมาคมใกล้ชิดคนที่น่าเลื่อมใสพิจารณาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเราก็รู้ได้เลยว่านี้เป็นบริวารของผู้มีศรัทธา แล้วชีวิตที่เป็นจริงของเราทั้งหลายมีศรัทธาอย่างนี้ไหมก็ดูพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีจนถึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาปล่อยใจเรียกว่าปล่อยใจหรือน้อมใจโน้มจิตไปในคุณของพระรัตนตรายในศีลในการให้ทานมีการเปรียบเทียบคุณธรรมกับเทวดาสามารถที่เลือกคบคนได้ ทรงจําพระธรรมสามารถที่จะมีสติปัญญาพิจารณาว่าศรัท ธ, ธาที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรศรัท ธ, ธาที่เกิดขึ้นแล้วจะพอกพูนภัยบูนได้อย่างไรเมื่อท่านจนําแนกแยกแยะอย่างนี้ท่านจึงเจริญวิเศษสักพยะคือธรรมที่วิเศษพิเศษวิเศษก็คือพิเศษยิ่งขึ้นไปคุณธรรมของท่านมีแต่พิเศษพิเศษไม่ใช่พวกศรัทธาธรรมดา นี่ต่อไปบริวารของผู้ที่มีหิริโอตตปะนว่ารู้ได้ยังไงว่าผู้ใดเป็นผู้มีหิริโอตตะปะหรือถ้าเราจะเจริญหิริโอตตะปะเจริญอย่างไรท่านบอกว่าจิตน้อมไปในการพิจารณาโทษของอกุศลและโทษของอบายเช่นว่าถ้าเราเป็นอกุศลเนี่ยนะอกุศลที่อยู่ในตัวเราพฤติกรรมของเราวัจจีกรรมของเรามนโนกรรมของเราเนี่ยนะมันจะน่าละอายขนาดไหน เคยคุยกับบางท่านบอกโอ้ยเมาแล้วเละเทมหมดเลยบอกเอาอย่างี้สิคุณถ่ายวิดีโอเอาไว้เลยเก็บภาพวิดีโอไว้เลยว่าพฤติกรรมคําพูดกิริยาท่าทางลีลาเรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยนะเก็บภาพเอาไว้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดสางเมาแล้วมาดูว่าน้าเกลียดขนาดไหนเนี่ยนะมันน่ารังเกียจขนาดไหนมันน่าขยะกขยงตัวเองขนาดไหนว่าเราทําได้ขนาดนี้เลยหรือ ฮิริก็จะเกิดขึ้นว่าเออนี่มันมันน่าละอายมันน่ารังเกียจมันน่าชิงชังตัวเองก็ยังรังเกียจตัวเองเลยเพราะเห็นพฤติกรรมแต่ว่าไอตอนเมาอยู่เนี่ยนะเมาด้วยบาปเมาด้วยอกุศลเมาด้วยสุรายามเมามันก็ไม่เห็นโทษอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าลองสรั่งจากเมาความเมาเหล่านั้นดูซิว่าพฤติกรรมของเราเองนี้ตําหนิตัวเองได้ไหมเพราะว่าอากุศลเนี่ยมันมีโทษแล้วก็ให้ผลเป็นความทุกข์ ตัวเองก็ติเตียนตนผู้อื่นพิจารณาแล้วก็ติเตียนเนี่ยนะตัวเองก็เห็นแล้วก็ไม่ไม่ไมเลื่อมใสตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าหมดความเกรงใจตัวเองในที่สุดก็เป็นคนที่ช่างติตัวเองตำหนิตัวเองเรื่อยๆดูถูกตัวเองบ่อยๆเยียดยา้ตัวเองบ่อยๆเพราะตัวเองนี้ประพฤติแต่สิ่งที่มีโทษประพฤติแต่สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลการพิจารณ า, ากุศลที่มีโทษสร้างความเสียหายให้แก่ตนอย่างนี้บ่อยๆ เรียกว่าคนมีฮิริเนี่ยนะส่วนโอตาปะก็ดูว่าไอ้อกุศลเหล่านี้เราก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าสร้างความเสียหายอย่างนี้แล้วผลของอากุศลเหล่านั้นวิบากต่อไปของอกุศลเหล่านั้นอกุศลเหล่านั้นจะให้ผลเป็นอย่างไรเคยเห็นสัตว์อบายไหมเป็นต้นเนี่ยนะสัตว์ในอบายเหล่านั้นก็คือสัตว์ที่ไม่มีฮิริโอตาปะอย่างเขาบอกว่าคนที่ไม่มีฮิริโอตาปะเนี่ยอย่างในโลกนี้ใครที่ไม่มีฮิริโอตาปะกล้าแม้กระทั่งไม่มีผ้านุ่งผ้าห่ม ไม่ยอมใช้ผ้านุ่งผ้าห่มฉันใดเราก็ดูสัตว์ในอบายทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีเครื่องนุ่งห่มฉันนั้นอันนี้ก็เพราะโทษฐานที่ไม่มีฮิเรอดตะปะเข้าจึงทุศีนไอความทุศีนของเขาก็ทําให้ไปเกิดในอบายไม่มีสิ่งที่ปกปิดร่างกายแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะไม่มีอะไรบางคนก็บางสัตว์บางเหล่าก็อาจจะมีขนปกปิดบ้างแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วก็ไม่มีเครื่องนุ่งห่มปกปิดใครจะใส่เสื้อใส่ผ้าให้มันมันก็ไม่ยอมเนี่ยนะ มันก็ไม่ยอมนุ่งไม่ยอมห่มเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาประกอบด้วยไม่มีอตตะ ป, ปะอนโนตะ ป, ปะไม่ละอายต่อบาปไม่ละอายต่ออกุศลไม่เกรงกลัวต่อวิบากที่ตัวเองจะต้องรับในอนาคตแล้วก็พวกนี้ไม่แคร์ใครทั้งนั้นเรียกว่าไม่สนใจใครทั้งนั้นทุกอย่างทําตามความพอใจพันใจเลวๆชนิดนั้นก็ก็สมควรแก่เหตุอ่ะนะ เพราะว่าโลกนี้ทุกอย่างมันก็มันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆเหตุเช่นใดผลก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นไปตามธรรมจริงๆเป็นไปตามสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไปตามสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลเวลามันเกิดขึ้นมันยังผลที่น่ารังเกียจน่าน่าขยะขยงโดยประการต่างๆให้เกิดขึ้นไม่เหมือนกับกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นก็ทาให้เกิดความเลื่อมใส ตนเองก็เคารพตนผู้อื่นพิจารณาใครครววแล้วก็มีความเขาก็เคารพเขาก็ยำเกรงพันจิตน้อมไปในการพิจารณาโทษของอกุศลพิจารณาโทษภัยที่จะมีต่อไปในอนาคตอันนั้นแหละเป็นเรียกว่าบริวารของฮิริโอตต ป, ปะเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีฮิริโอตต ป, ปะอยู่ด้วยฮิริโอตต ป, ปะเจริญฮิริโอตต ป, ปะดำรงอยู่ในธรรมคือฮิริโอตตปะ เป็นคนที่มีทรัพย์เนี่ยนะมีอริยทรัพย์คือหิริมีอริยทรัพย์คือโอตตะ ป, ปะนี่ต่อไปก็พิจารณาการอุปธรรมของกุศลรธรรมว่ากุศลรธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวผู้ที่มีหิริเนี่ยนะก็จะละอายใจถ้าเราไม่เจริญกุศลเนี่ยมันเสียหายแก่ตัวขนาดไหนมันน่าละอายขนาดไหนเหมือนว่าถ้าเราไม่มีผ้าผ้านุ่งผ้าหม่มน่าละอายแค่ไหนฉันใด ใจของเราถ้าไม่มีกุศลประกอบถ้าไม่มีกุศลประดับอยู่ในใจจะน่าละอายขนาดไหนก็ละอายก็นันก็หาเหตุหาปัจจัยที่จะเสริมสร้างกุศลธรรมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าทำเชนไนกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดทำเช่นไนกุศลที่เกิดแล้วจะเจริญงอกงามไพบูรเพราะว่ากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวอุปธรรม เป็นตัวอุปธรรมกุศลโดยเฉพาะหิริโอตปะเนี่ยนะอุปธรรมให้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องและยืดยาวคนที่ไม่มีฮิริโอตปะโดยมากแล้วทำอ ก, กุศลได้นานทำกุศลได้ไม่นานแต่ถ้าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะอยู่กับบาปอยู่กับอ ก, กุศลเกลือกล้วอยู่กับอ ก, กุศลไม่นานก็อึดอัดเหมือนกับคนที่ที่รักสะอาด อาจจะพลาดเดินลื่นไปตกหลุมอุจจระบ้างแต่ก็รีบขึ้นทันทีรีบชะล้างรีบชำระทันทีฉันทยผู้ที่มีอุหิริโอตปะบางครั้งอาจจะตกไปในบาปแล้วอกุศลแต่ก็รีบชำระตัวเองอย่างรีบเร่งนี่เมื่อเมื่อประสบกับความสะอาดก็จะปกปักรักษายินดีในธรรมที่สะอาดเนี่ยนะความสะอาดทางกายวาจาและใจพันคุณสมบัติของผู้มีหิริโอตปะก็คือดารงอยู่ด้วย ความสะอาดทางกายวาจาและใจและที่สำคัญก็คือการเว้นจากบุคคลที่ไม่มีหิริโอตปะคนที่ไม่มีฮิริโอตปะคือคือระหว่างคนที่ไม่พิจารณาดีชั่วไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเป็นคนที่เรียกว่าเอาแต่ใจที่เป็นอกุศลของตัวเองเอาแต่มานะของตัวเองเอาแต่ความเศร้ามองของตัวเองเป็นที่ตั้ ง, งนนะแล้วก็ไม่มีความเคารพในภาษาสดา เป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพในพระราตนตรายเป็นต้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเราจะเจริญฮีริโอตาปะเว้นได้ต้องเวน้นถามว่าเว้นเหมือนเว้นอะไรเหมือนเราเห็นอสารพิษอาจจะดูน่ารักบ้างเพราะลวดลายของอสารพิษมันดูวิจิตรดูน่ารักดีแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีพิษเป็นสิ่งที่มีพิษเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉันใดคนที่ไม่มีหีริโอตปะก็เป็นคนที่น่ากลัวฉันนั้น เป็นคนที่ปอกโลกจนเราหมดอริยสัพย์จนอริยสัพย์คือกุศลธรรมไม่เหลือเลยมันคนประเภทนี้ห่างได้ห่างเธอนะอย่าไปเกรงใจคนอื่นจนไม่กล้าไปสุขติเกรงใจคนอื่นจนต้องตกนรกเกรงใจคนอื่นหรือเกรงใจใครกันแน่เกรงใจสัตว์ในอาบายหรือเกรงใจพระอรหันต์นีบางทีนี่เราเราเราบอกโอ้เป็นคนช่างเกรงใจขี้เกรงใจแต่ไม่รู้ว่าเกรงใจใครกันแน่ ทำท่าเกรงใจไปทุกเรื่องไปหมดเลยบอกเมื่อใดเนาะเทว่าเกรงใจบุคคลที่ควรเกรงใจไม่เกรงใจคนที่ไม่ควรเกรงใจเนี่ยนะพันธะเราจะเกรงใจก็เกรงใจพระเรียเจ้าทั้งหลายเกรงใจพระศาสดาเกรงใจต่อผู้มีพระคุณต่อเราแต่ว่าคนผ่านทั้งหลายเราไม่มีอะไรต้องเกรงใจเพราะเพราะทางใครก็ควรจะทางใครทั้งเราก็ต้องหลีกเว้นจากคนที่ไม่มีห h i e r a r c ปะคนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว เพราะถ้าหากว่าเราเกี่ยวข้องกับเขาหมดตัวแน่คำว่าหมดตัวคือหมดใจที่เป็นบุญแน่เหลือแต่ใจที่เป็นบาปเหลือแต่จิตใจที่เศร้าหมองหรือว่าเราสาบแช่งตัวเองเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นคนที่สาบแช่งตัวเองแล้วก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกันตามอัธยาศัยเร็วๆก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างี้ไม่ดีนั้นเราก็ต้องศึกษาคนที่เราจะคบให้ดีๆเลยพันความเจริญในพระศาสนาความเสื่อม จากพระาศาสนาการครบคนทั้งหมดเลยพระองค์บอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจารย์มันปาประมิตรเป็นความชีพหายทั้งหมดของพรหมจารย์พระเทวะทัศน์ที่ล่มจมล่มสลายเพราะคบป่าประมิตรภาษารีบุตรที่เจริญงอกงามก็เพราะภาษารีบุตรคบกัลยาณมิตรเพราะมิตรทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นตัวประกาศว่าที่สุดของเราอยู่ที่ไห mm. นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเป็นตัววัดผลเลยว่า อนาคตเราจะไกลแค่ไหนก็อยู่ที่คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยหรือคนที่เราพักดีอยู่ในใจว่าเขาคือใครเนี่ยมันประกาศถึงทางดําเนินของชีวิตของเรามันก็ต้องเว้นบุคคลที่ไม่มีฮิริโอต ป, ปะแล้วก็คบหาสมาคมเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีฮิริโอต ป, ปะพ่นผู้ที่มีฮิริโอต ป, ปะเรียกว่าผู้มีศัต ร, รูผู้ที่มีศัต ร, รูอย่างนี้เรียกว่าศัตบรษการครบเห็นสัตบรุษแม้แต่ครั้งเดียวก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จ จะกล่าวไปยายถึงคบกันบ่อยๆนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังทรงจำคำสอนของท่านเหล่านั้นผู้เป็นสัตว์บรุษบุคคลนั้นก็จะเจริญงอกงามโดยส่วนเดียวอันนี้ก็เป็นเครื่องสังเกตยอย่างหนึ่งที่เป็นบริวารของฮิริโอตปะคือเห็นโทษของอกุศลเห็นภายในอบายเห็นอุปการะคุณของกุศลเว้นจากคนที่ไม่มีฮิริโอตปะเกี่ยวข้องคบหาสมาคมกับคนที่มีฮิริโอตปะ อย่างเราทั้งหลายเราจะสังเกต ด, ดูความเจริญหรือความเสื่อมของเราเนี่ยนะเราสังเกตจากอะไรบอกสังเกตจากคนที่เราคิดถึงอนนว่าเขาเป็นสัตว์บรุษหรือเป็นอสสัตว์บรุษเขาเป็นคนมีหิริโอตตปะหรือไม่มีหิริโอตตปะคนที่เราคิดถึงคนที่เราพูดถึงคนที่เรามีพฤติกรรมร่วมกันกับคนเหล่านั้นคือคนเช่นใดตัวนั้นคือประกาศอนาคตของเราว่าควรจะเป็นเช่นใดเหมือนกับคนที่เป็นอกุศล ก็ประกาศเลยว่าอนาคตทุกแน่ถ้าคนที่ทํากุศลอนาคตก็สุขแน่เนี่ยนะ ก, ก็เป็นเครื่องเช็คเครื่องตรวจสอบเราได้ถ้าเราคิดว่ากุศลเป็นเหมือนกับมิตรเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณเนี่ยนะแล้วก็ต้องขยันพิจารณาเนี่ยนะอย่าลืมว่าในพระาศาสนาเนี่ยสุตะนี่ถือว่าเป็นเหตุใกล้ของปัญญายี่ต่อไปว่า การที่จะเรียกว่าพิจารณาเรื่องศัทธาพิจารณาเรื่องฮิริโอตปะพิจารณาคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยต้องเกิดจากพาหูสัจจะต้องมีการฟังอย่างมากพาหูสัจจะมาแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังมากได้ยินได้ฟังมากนั้นคนที่มีพหูสัจจะนั้นจะเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กลาด้วยการสะสมมีการสอบถามการประกอบความเพียรในเบื้องต้น คือคนที่จะมีการได้ยินได้ฟังเ น, นี่ยนะจะต้องเป็นคนที่ฉลาดถามปริปุจชาเป็นผู้ที่ปรารถนาจะรู้โดยรอบถามเพื่อความรอบรู้มันต่างจากถามเพื่ออย่างอื่นทั้งนั้นพันคําว่าปริปุจชาในที่นี้แปลว่าคําถามเพื่อความรอบรู้ถามเพื่อสติถามเพื่อปัญญาเป็นการถามเพื่อความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมเป็นการถามเพื่อเจริญคุณงามความดีการที่เรารู้จักถามเป็นนั้นอันหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าพาหุสัจจะของเราจะเจริญหรือไม่อย่างคนที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ตั้งคําถามไม่เป็นเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะไม่ได้ปรารถนาจะรู้จริงๆก็อ่านอ่านผ่านตาอย่างรู้จักบางคนนี่ก็อ่านได้ทั้งวันเหมือนกันแต่ก็ก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่ถามว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความฝ่รู้ความปรารถนาจะรู้โดยรอบไม่มีอยู่จริง เพียงแต่ว่าแบบคล้ายๆว่าอ่านเป็นกลุ่มทัพพีแช่อยู่ในน้ำแกงทั้งวันก็ไม่ได้รู้รสแกงอะไรบางคนก็เหมือนกันลักษณะนั้นหาความเจริญงอกงามในคำสอนยากเพราะนั้นเราต้องมีอัธยาศัยที่เรียกว่าใยที่จะรู้รอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยรอบเป็นอย่างไรเราจะรู้อย่างมากรู้อย่างกว้างขวางรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งได้อย่างไรแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยนะเมื่อเราเข้าใจแล้ว คุณค่าของคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติราคาของคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราไม่มีการปฏิบัติตามที่เราเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่หน้าตาหนิมากกว่าที่จะเรียกชื่นชมว่าเป็นหูสูตรเนี่ยนะพการประกอบความเพียรในเบื้องต้นก็คือปุพพะประโยคะการเจริญการอบรมการสั่งสมบุญกุศลตามที่ศึกษามามีการปฏิบัติละสิ่งที่ควรละ เว้นสิ่งที่ควรเว้นวเจริญสิ่งที่ควรเจริญได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับของพหุสัจสมควรที่เราว่าเป็นอลังการของพหุสูตรว่า ง, งั้นเถอะอลังการของพหุสูตรก็คือเว้นจากความชั่วตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะนั้นผู้ที่เป็นพหุสูตรจะตั้งอยู่ในพระสัตยธรรมผู้ที่เป็นพหุสูตรจะตั้งมั่นอยู่ในศรัทธา ผู้ที่เป็นหูสูดจะตั้งมั่นอยู่ในหิริผู้ที่เป็นหูสูดจะตั้งมั่นอยู่ในโอตตะปะผูはは้ที่เป็นหูสูดจะตั้งมั่นอยู่ในวิริยะตั้งมั่นอยู่ในสติและปัญญาตั้งมั่นอยู่ในสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายอันนั้นเป็นผลของการเป็นหูสูดเป็นบริวารของเป็นผู้เป็นหูสูดบางคนก็บอกว่าโอ้ยคนนั้นอ่ะเขาฟังมากเขาเรียนมากแต่ไม่เห็นเขาปฏิบัติอะไรเลย นี่ขนาดฟังขนาดนี้นะยังปฏิบัติไม่ได้จะกล่าวไปใยัยถึงไม่ฟังว่างั้นแล้วก็ต้องเห็นโทษนี่ขนาดเขารู้ขนาดนี้นะเขาเข้าใจขนาดนี้เขายังทําตามไม่ได้ยังไม่ประสบความสําเร็จถ้าเขาไม่รู้เรื่องเลยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะอย่างเราศึกษาคําสอนฟังคําสอนเรียนคําสอนขนาดฟังอย่างนี้เรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ยังยังไม่ค่อยจะเจริญเท่าที่ควรจะเจริญ ถามว่า้าเราไม่ฟังไม่เรียนไม่เข้าใจไม่รอบรู้เลยเนี่ยมันจะขนาดไหนเนี่ยนะมันจะเสื่อมขนาดไหนหรือว่าเสื่อมจนไม่รู้ว่าเจริญเป็นยังไงเพราะงกันมันแห้งแล้งจนแบบเป็นทะเลทรายแล้วเนี่ยนะพืชพันธทัญย า, ารไม่เจริญงอกงามในทะเลทรายชันใดใจของคนที่เป็นไปด้วยบาปอากุศลก็ฉันนั้นอันผู้ที่ไม่เป็นพหูสูตรเนี่ยก็เหมือนกับพื้นดินทะเลทรายนะที่เพาะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นการเป็นพหูสูตรมันก็เหมือนกับแต่งพื้นที่ให้มันดี จึงจะเป็นที่เจริญงอกงามแห่งศรัทธาเจริญงอกงามแห่งวิริยะสติและก็ปัญญาเป็นต้นนั้นความเป็นปรูหูสูตรนี้เป็นตัวที่ช่วยมากอุปการะมากทำภายนอกที่จะทำให้ให้เจริญงอกงามก็คือการฟังเนี่ยนะประโตโคสะก็อาศัยความฟังนั่นแหละต้องฟังให้ให้พอ